ขอเชื่อมความนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์นี้พุทธถึงว่าถ้าเราเว้นอบายยามุขได้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า อ, อ, อย่างน้อยที่สุด เ, เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ก็จ ะ, กะเกิดเตื้องขึ้นมาแล้วก็ ถ้าเราสามารถจะทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาชีพรู้จักหาทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีแลอครองชีวิตตามความเหมาะสมแก่สะภาพของตน ถ้าทำได้อย่างนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นมาทันทีเกิดเตื้องขึ้นมาทันทีแม้เราจะไม่ต้องเอาทฤษฎีใดๆของเมืองนอกมาก็ได้ก็ทฤษฎีเศรษฐกิจทางต่างที่ใช้กันอยู่ที่เอามาจากต่างประเทศเราไม่ต้องใช้ก็ได้ แต่ที่เราใช้กันอยู่มากๆในเวลานี้มันคล้ายๆกับว่าเราเอาปุ๋ยมาทั่วโลกมาใส่นาข้าวหรือมาใส่ในแปลงเพาะแต่ว่าศัตรูพืชเราไม่ได้กาจัดอยา่ามันขึ้นในนาข้าวศัตรูพืชมากมายเราไม่ได้เจ้ากาจัด ยาที่ไม่ต้องการขึ้นเราก็ไม่ได้ทอนทิ้งก็หวานข้าวลงไปยามันก็ขึ้นมาแสมต้นข้าวทุกแห่งเดีวยว่าไม่ได้กำจัดสิ่งที่เป็นคาศึกศัตรตูของความเจริญทีนี้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรคล้ายๆครับว่า <c ười> กินของแสลงมากกว่า กินยากินของแสลงมากกว่ากินยามันก็มันก็แย่แต่ว่าถ้าเรากินยาให้มันถูกต้องแล้วก็กินของแสลงถ้าเผลอไปบ้างก็รู้ว่ามันเป็นของแสลงแล้วก็กินแต่น้อยอสุขภาพมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหต์จริงๆ ราเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่บุคคลผู้ที่จะปฏิบัติคนที่เป็นคนดีในสังคมไทยเงินเหลือใช้ทุกคนนะครับเหลือใช้ทุกคนนอกจากมีข้อยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นเดียวท่านฟังไปไประโยคเดียวแล้วจะว่าผม <c oughs> นอกจากคนที่เขาจนจริงๆโดยที่เขาไม่มีโอกาสเช่นว่าสถานที่ที่เขาอยู่มันเป็นที่แร้นแค้นฝนไม่ตกน้าท่วมทานาไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้ว่าทานาไม่ได้ผลทำพืชไห่ไม่ได้ผลเขาขยันแล้วก็ไม่มีสตัง แต่ถ้าเขาได้ที่ที่เหมาะสมแล้วได้ที่ที่เหมาะสมในการทำงานแล้วงานก็มีทำไรายได้พอสมควรแล้วถ้าเขาเป็นคนดีก็เงินเหลือทุกคนเงินเหลือทุกคนไม่ไม่ไม่จนหรอกครับมันมันต้องมีข้อแม่นะครับต้องมีข้อแม่เพราะว่า มันมีคำฟังเพื่ออยู่คำหนึ่งก็ไม่ทราบใครเป็นคนพูดขึ้นมาผมก็ไม่ไม่ทราบว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันแต่ที่นี่มันถ้าถ้าพิจารณากันดูให้ดีเราก็ถูกครึ่งเดียวถูกครึ่งเดียว แต่ก็เป็นกำลังใจให้คนขยันแต่มันก็ถูกครึ่งเดียวไม่ถูกทั้งหมดที่ว่าถูกครึ่งเดียวนั้นเป็นอย่างไรที่ว่าถูกครึ่งเดียวก็เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยภายนอกไม่ <c oughs> เอือ <c oughs> เอ้ออำนวยเช่นว่าหเขาไม่มีงานทำเขา ถูกเอารัดอเอาเปรียบในทางสังคมระบบมันไม่เอื้ออำหนวยที่จะให้เขามีสตตังหรือว่ามีกินมีใช้อย่างนี้ถึงเขาขยันเขาก็จนเขาขยันเขาก็จนเพราะคนจนมันมีหลายสาเหตุว่าจนเพราะขี้เกียจจนเราฝักไฟอบายยมุกขี้เกียจก็เป็นอาบายยมุก ค, ค้อนึงเหมือนกัน อันนี้ก็นอกจากนี้ก็ระบบระบบต่างๆในของสังคมที่ไม่เปิดโอกาสไม่เอืออำหนยให้คนบางจำพวกออสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้คือเขาถูกเอาเปรียบเพราอย่างนั้นเถอะถูกระบบของสังคมเอาเปรียบ เ, ออเขาเกิดอยู่ในสังคม ที่นี้ถ้าเผื่อว่าสังคมส่วนรวมหรือสังคมที่อยู่ในระดับสูงไม่เปิดโอกาสให้แก่เขาบ้าง <c oughs> อยู่กันแบบใครมือยาวสาวได้สาวเอาใครมือยาวสาวได้สาวเอาแล้วเขาจะ <c oughs> เขาเป็นคนโอกาสน้อยด้อยโอกาสมือสั้นแเขาจะไปาสาวอะไรได้สักเท่าไหร่ ว่าถ้าคนมือยาวไม่สาวมากเกินไปให้คนมือสั้นมันก็พอมีให้สาวบ้าง อ, อวันก่อนนี้ก็พูดเรื่อง อ, อยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษซึ่งกราบกันไม่รู้จักหมดกราบกันไม่รู้จักหมดทำไมยังกราบกันไม่รู้จักหมดนี่ต่าทา ถ้าคนที่มีหน้าที่ปราบไม่เอาจริงหรือว่ามีผลประโยชน์เสียเองในเรื่องยาเสพติดอันนั้นมันก็ไม่หมดมันไม่มีทางหมด <c oughs> แล้วก็บางพวกก็ลำบากแย่คล้ายๆกับว่าถ้าเอวปมาให้ดูคล้ายๆกับว่าเราเมื่อไฟมันไหม้เราก็ใช้น้ำสำหรับดับไฟ ถ้าน้ำน้อยก็แพ้ไฟน้ำ ม, มันต้องมากกว่าไฟอนั่นอย่างหนึ่งแล้ว <c oughs> ที่นี้อย่างหนึ่งถ้าเผื่อไฟมันเกิดจากน้ำเสียเองอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> จะเอาน้ำที่ไหนไปจับอไฟมันเกิดจากน้ำเสเองแล้วจะเอาน้ำที่ไหนไปจับเออ อันนี้ก็มีในชาดกมีเรื่องในชาดกเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องผู้น้อยคุ้มครองผู้น้อยแต่ก็ไปเป็นภัยกับผู้น้อยเสียเอง อ, อย่างนี้แล้วก็เหมือนกับเหมือนกับน้ำที่เหมือนกับไฟที่มันเกิดจากน้ำแล้วจะเอาน้ำที่ไหนไปดับถ้าถ้า เอาไฟมันเกิดขึ้นจากเชื้อจากไม้จากอะไรเราก็เอาน้ำไปดับได้แต่ถ้าไฟมันมาจากที่อื่นมันไม่มาจากผู้คุ้มครองมันก็ก็เอาผู้คุ้มครองนั่นแหละไปป้องกันไปดับความเดือดร้อนได้แต่ถ้าผู้คุ้มครองอซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรงสุขไปให้ทุกข์กับผู้อยู่ใต้ปกครองเสียเอง แล้วจะเอาใครมาดับความเดือดร้อนอันนั้นอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ไม่ใช่น้อยเราก็ต้องช่วยกันอันนี้ผมขอพูดซ้ำอีกทีนะครับว่าคนจนเนี่ยถ้าเขาจนาเพราะไม่มีโอกาสเช่นว่าเป็นชาวนาผลแรงทำนาไม่ได้ผล น้ำที่ควรจะเอาไปทำนาก็าไปทำอย่างอื่นหมด <c oughs> มีลูกมากเขาไม่มีการศึกษาเพียงพอที่จะคุมกำเนิดได้แล้วก็ความขาดแคลนหลายอย่างทำให้เขาขาดโอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวแต่ถ้ามีโอกาสในการตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ได้ดีทุกคน ได้ดีทุกคนแล้วก็ผมเชื่อว่าจะใช้ได้ดีกว่าหลัก อ, อื่นๆที่ผมเคยเคยอ่านเคยเคยอ่านเคยศึกษ<น>ามาเช่นว่าหลักข้าหาเศรษฐศาสตร์ที่เขาแบ่งว่าจะต้องใช้อะไรเท่าไรไมาได้เงินมาอนนี้ถ้าเราใช้หลักของพระพุทธเจ้า ตามที่ผมได้เล่าเรียนมาถ้าทําตามพระพุทธเจ้าก็ดีกว่าทําได้ดีกว่าด้วยซ้ําไปด้ยซ้ําไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเมั่นขยันในการที่จะดูหรือศึกษาทําความเข้าใจเกีย่ยวกับสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธปัิญาเนี่ยก็จะ อได้ประโยชน์ในการมาจัดเศรษฐกิจแล้วว่าพุทธเอเศรษฐกิจแนวพุทธหรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็อลองดูลองลองศึกษาดูลองทําดูเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมันจะสบายกันไปโดยทั่วถึงนะครับโดยทั่วถึงหรือว่าเกียร์หรือเฉลีย่ยความสุขเฉลีย่ยรายได้ออกไปให้ทั่วถึง ไม่มีไม่มีลักษณะที่ว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาแล้วก็วัดความสําเร็จกันที่เงินที่ได้มากเท่าไรไม่ใช่อย่างนั้นคราวนี้ก็นักศึกษาได้ถามก็ไปว่ามีความเห็นมีมีความเห็ น, ว, หนว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลจะเอาปรัชญา หรือพุทธปรัชญาที่อาจารย์กล่าวถึงมาใช้แก้ไขในด้านอบัยมุขถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลจะเอาปรัชญาที่อาจารย์พูดถึงมาใช้แก้ไขในด้านอบายมุขอันนี้ <c oughs> ผมตอบว่าผมไม่กล้ารับรองว่าไม่กล้าตอบแทนรัฐบาลตอบแทนรัฐบาลไม่ได้ รัฐบาลจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่รัฐบาลแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเอาหรือไม่เอานี้เขาก็ถามว่าเขาตามความเห็นของอาจารย์เป็นอย่างไรผมก็คงยืนยันว่าตอบไม่ได้ือไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาถ้าเขาเอาแล้วก็พยายามให้ สังคมลดละอบายามุกเป็นประการแรกแล้ก็มาอนุญาตมาได้อย่างไรสถานอบายามุกมากมายเหล่านั้นอนุญาตให้มีขึ้นมาได้อย่างไรอ่าแถ้าไม่อนุญาตให้มีสถานอบายามุกอันมากมายเหล่านั้นแล้วก็เพิ่มคุณภาพของคนขึ้นมา คือว่ารายได้เล็กๆน้อยๆที่ใครต่อใครที่จะพึงได้กับการสูญเสียคุณภาพของคนคือการสูญเสียคนสูญเสียคุณภาพของคนสูญเสียความเป็นคนลองนึก ด, ดูว่าเราสูญเสียมากกว่าได้ทั้งเยอะแยะไม่รู้เท่าไหร่ แล้วก็พยายามหนุนให้เขาอยู่ในศิลในธรรมเราไม่ส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าอบายามุกต่างๆแต่ที่ทาอยู่ในเมืองไทยเราอบายามุกมันมากเกินไปอบายามุกมันมากเกินไปเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เองมีป้ายใหญ่ติดตยอยู่ที่ถนนวิภาวดีรงังสิตถ้าจำไม่ผิด เลาบอกว่าใครค้นพระใจปีตุกได้ว่านิพพานเป็นอนัตตาจะได้หนึ่งล้านบาทนี่ตามข่าวนะพูดตามข่าวตำรวจเห็นว่าเป็นการพ น, นันจึงให้รื้อเสียก็ลองดูครับแม่แต่ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของนิพพานแล้วก็ยังเอามาเป็นการพ น, นันตามสายตาของตำรวจนะครับือว่าตำรวจเห็นว่ามันเป็นการพ น, นันจึงให้รื้อเสียอื แล้วทีนี้ยังมีการพนันอะไรอีกนะครับที่มันยิ่งกว่านี้หรือว่าที่มันเช่นว่าการพนันบอลการพนันมวยแม้สิ่งที่เป็นกีฬาเนี่ยก็พนันกันอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองล้นหลามมันสนุกสนานกันรถได้เล่นการพนันมันไม่ใช่สนุกเพื่อการกีฬาแล้วก็มันจะเสียหายสักเท่าไหร่ทางด้านทรัพย์สินทางด้านสุขภาพ าทางด้านความเป็นสัจจูทางด้านอะไรอะไรมันเสียหมดมันไม่มีอะไรดีแต่ว่าคนก็ยังทํากันอยู่ทีนี้ใจคนเรานี่โดยปกติใจก็มักจะไหลไปตามอบยมุกอยู่แล้วแือว่ามันมีปกติไหลไปทางต่ําอยู่แล้วถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการที่จะเออ่ ดันมันขึ้นไปคือไขมันขึ้นไปมันก็เราใช้เครื่องมือที่จะไขน้ําขึ้นข้างบนธรรมดาน้ํามันมีปกติไหลลงต่ําอยู่แล้วมันจะไหลขึ้นข้างบนได้ไหลขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือสําหรับทดน้ําเครื่องมือสําหรับที่จะไขน้ําขึ้นไปอันนี้ในดาคุณธรรมนั่นแหละคือตัวเครื่องมือในการที่จะพ ย, ยุงจิตดึงจิตขึ้นไป ไม่ให้มันไหลไปในทางอบายามุกที <c oughs> นี้ก็อพอมีสิ่งชักจูงมันก็ดึงไปดึงไปแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็มีสิ่งดึงขึ้นไปข้างบนไม่ได้ก็มีแต่จะดึงลงต่ําดึงเหมือนกันแต่ก็ดึงลงต่ํามันจะคนที่อไป บนบานสันกล่าวมีอะไรนิดมีน้อยก็บนบานสันกล่าวาไปบนนั่นบนนี่อะไรแล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จ, จิตใจคนไทยไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งสิ่งเรานั่นเป็นที่พึ่งทางใจ ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้นนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมันเหนี่ยวจริงแต่มันเหนี่ยวลงตามมันไม่ได้เหนี่ยวขึ้นสูงทำไมสิ่งที่เหนี่ยวขึ้นสูงก็มีอยู่ทำไมเราไม่เอาพระธรรมนั้นยังไงพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยังไงเป็นสิ่งที่เหนี่ยวขึ้นสูงเหนี่ยวให้สูงขึ้นไปทำไมไม่เอาแล้วก็มาบนอยู่ได้ว่าไม่มีสิ่ง ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีเครื่องยึดเหนียวแล้วก็ไปไปทําสิ่งเหล่านั้นเสียเงินเสียทองเสียอะไรมากมายการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็นํามาปฏิบัติเสียเงินน้อยที่สุดเสียเงินน้อยที่สุดแล้วก็ได้มากที่สุดแต่ทําให้เศรษฐกิจดีที่สุดอไอ้นี่แหละครับ มันมันซิมพลายเนี่มันอยู่อย่างอย่างซิมโปอยู่อย่างธรรมดจามันเป็นไม่เป็นคอมเพล็กซ์เอ็กซิสเทนชีวิตไม่ใช่เป็นชีวิตเชิงซ้อนอแต่เป็นชีวิตเชิงเดียวอยู่แบบง่า ย, ายเรียบง่ายเพราะฉะนั้นพุทธปัจญากับเศรษฐกิจไทย คือถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามพุทธปัญญาติตามที่พระพุทธเจ้าท่านส่งสอนเอาไว้ก็จะให้ทุกคนรู้ข้อปฏิบัติว่าตัวควรจะปฏิบัติอย่างไรผิดพลาดอย่างไรต้องเช็คไดหรือว่าเช็คตัวเองได้เราต้องมันศึกษาทำจึงจะเช็คตัวเองได้เราเดือดร้อน เรื่องนี้เพราะว่าผิดทำข้อไหนเราประสบความสำเร็จเรื่องนี้เพราะเราปฏิบัติทำข้อไหน เ, เช็คตัวเองได้แล้วก็เช็คอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีอะไรอยู่ขาดอะไรไปเห็นว่าพรหมยานสี่เนี่ยเมตตาการุณามุทิตาวเบกขาเนี่ยเราขาดข้อไหนเรามีข้อไหนขาดข้อไห น, ไ, หนไป ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ต้องว่าทำสําหรับผู้ใหญ่เขาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต้องทําให้ครบชุดอนะครับทําให้ครบชุดถ้ามีแต่เมตตาการุณานั่นก็รักษาคนมุทิตาช่วยปลอยินดีแต่อุเบกขาเนี่เป็นธรรม ร, รักษาธรรมแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาจะบ้างมันเสียความยุติธรรม ทำให้เสียธรรมคือความยุติธรรมไปจะต้องลำเอียงเพราะฉันทาคติบ้างโทสะคติบ้างโมหาคติบ้างพยาคติบ้างเพราะเราขาดอุเบกขานั่นเองนั้นก็เราบำเพ็ญให้บริบูรณ์เข้าใจความหมายของธรรมแต่ละข้อทางทางหัวข้อและความหมายแล้วก็เช็คได้ ว่าทําข้อนี้มีขอบเขตอย่างไรแค่ไหนปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้ครับไม่ไม่เข้าใจสงสัยก็ถามท่านผู้รู้ได้ถามท่านผู้รู้ได้แล้วก็หรือว่าบาตรแต่งความสําเร็จเช่นว่าอิทธิบาทสี่นบาตรแต่งความสําเร็จต้องการความสําเร็จก็จต้องเอาอิทธิบาทมาใช้ ถ้ามีความพอใจในการงานในการเรียนในการนั้นอะ่ะจะทําอะไรก็ต้องมีความพอใจมีชันทะก็มีความภาคเพียรในการนั้นจะทําอะไรก็ต้องมีความภาคเพียรในการนั้นเอาใจใส่ในการนั้นหรือว่ามีจิตตะเอาใจใส่ฝักไฟเอาใจฝักไฟไม่ทอดทุระมีมีจิตใจฝักไฟยอยู่กับสิ่งนั้น <c oughs> กล้าที่จะ เผชิญอุปสรรคกล้าที่จะเผชิญปัญหาอไม่ไม่ใช่ว่าพบปัญหากันนิดหน่อยแล้ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทิ้งและไม่เอาแล้วมีอุปสรรคนิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยไม่เอาแล้วทิ้งแล้วอย่างนี้ก็มันยังไม่พร้อมต้องต้องต้องฝักใฝ่ในสิ่งนั้นมีเอุปสรรคขึ้นมาก็สามารถจะฝากฟันได้ ปัสสัคปัสสัคเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจของคนผมเคยพูดอยู่เสมอว่าอุปรสรคนั่นมันเป็นเทพทิดาเป็นเทพทิดาที่มาในรูปของมารร้ายมาอุ่มันร้ายพอเราสู้จริงจริงมันก็จะแปลงมันจะกลับร่างเป็นเทพทิดาอหอเราเห็น ให้เราเห็นว่าที่แท้มันเป็นเทพทิตาแต่ว่ามาในรูปของมารร้ายให้เราตกใจให้เราตกใจถ้าเราไม่ตกใจเราต่อสู้มีกำลังใจในการต่อสู้แม่ในขาวิปัตสมีในขาวิปัตสก็มีกำลังใจในการต่อสู้แล้วก็มารร้ายมันจะหายไปมันจะกลายเป็นเทพทิตาให้เราดู ให้เราดู <c oughs> อย่างเพื่อนเรื่องพระมาชนกที่พูดถึงกันอยู่ไอ้นั้นนะพระชนกนี่นางเมฆขลามาปรากฏตัวแล้วก็ช่วยเหลือว่ า, เ, าเราพูดกันอย่างธรรมอาทิษฐานก็คือว่าเมื่อท่านไม่ละความเพียรฮความสําเร็จความสําเร็จก็ปรากฏให้เห็นเริ่มต้นด้วยการไม่เห็นฟังไม่รู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ยังก็ยังไหว้ไป ก็ยังไหวไปก็คือว่าเราเริ่มทำงานมันมองไม่เห็นฝั่งของความสำเร็จว่ามันจะสำเร็จได้อย่างไรแต่ว่าไม่ทอดทิ้งทำต่อไปสำเร็จเมื่อไรก็ช่างมันสำเร็จเมื่อไรก็ช่างมันทาต่อไป อ, อ, อย่างที่เคยเล่านิทานเรื่องคนแก่ย้ายภูเขาใช้ความเพียรย้ายภูเขา แกเอาจริงเอาจริงก็ย้ายภูเขาจริงๆชวนขักพวกเพื่อนทองเลยย้ายภูเขากันเลยแล้วแกก็ยังทําไม่ได้เท่าไหร่เทวดาที่อยู่ที่ภูเขาบอกให้พวกนี้เอาจริงก็มาช่วยมาช่วยใช้ฤทธิ์ย้ายภูเขาให้ได้ให้ต้อให้ชาวบ้านแถวนั้นไม่ต้องปีนภูเขา เรื่องจริงเรื่องจริงไม่จริงไม่ต้องพูดเรื่องนี้มันเรื่องอุดมคติหรือเรื่องมโนคติเรื่องสอนให้รู้ว่าอั น, นี้เราถ้าเร า, เาทำอะไรแล้วเราทำจริงแม่เราจะไม่สามารถได้สำเร็จด้วยตัวเองแต่ผู้ที่มีกำลังผู้ที่เขามีกำลังพอที่จะช่วยเราเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะเห็นว่าเราทำจริง <c oughs> แล้วถ้าเราทําไม่จริงเขาก็ไม่ช่วยอันนี้นนมันเราเราถอดออกมาเป็นธรรมอาทิตฐานได้อเรื่องเทวดามาช่วยย้ายภูเขาอไม่ต้องพูดหรอกมันยังไม่ไม่เคยมีตั้งแต่สมัยไหนมาแต่ว่าท่านเล่าเอาไว้เพื่อให้เป็นคติว่าเทวดาก็คือว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีกําลังมีกําลังเงินมีกําลังอํานาจมีกําลังอะไรที่จะช่วยเราได้เขาก็จะมาช่วย จะมาช่วยเราถ้าเราเอาจริงผมเอง เ, อเมื่อดูดูหนังดูละครดูเรื่องราวแม้ได้อ่านนิทานชาดกถ้ า, เ, าเห็นชีวิตการต่อสู้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งไปได้เห็นชีวิตการต่อสู้ของใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกสะเทือนใจแต่ว่ามันสะเทือนใจไปนในทางที่ดี เป็นตัวอยา่างทำให้มีกำลังใจแก่เราก็พูดถึงธรรมที่เราควรจะนำมาใช้พุทธปรัชญาที่ควรจะนำมาใช้ในการแก้ปธธธธัญหาเศรษฐกิจอย่างเช่นว่าเราเช็คดูให้ดีว่าเรามีธรรมอะไรหรืปา่าขาดธรรมอะไรไปอย่างเช่นว่าอาิธิบาตสี่นะครับ ก็ น, นั้นพูดถึงอิทธิบตัตสี่คือว่าความพอดใจในการงานความาพักเพียรในการงานเอาใจใส่ในการงานแล้วก็พูดมาถึงข้อนี้อีกข้อหนึ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาใจตรองสอดส่องดูเหตุดูเหตุ ด, หตดูผลคือว่าดูทั้งเหตุและผล ใช้ปัญญาในการทำงานไม่ใช่เพียงแต่ว่าดุยดุยก็ทำไปเรื่อยๆทำไมได้ใช้ปัญญาสอบสวนให้ดีตัวคนที่ใช้ปัญญามากเนีจะใช้เวลาน้อยจะได้งานมากประสบความสำเร็จได้มากกว่าหรือว่าอย่างที่เขาใช้คำว่า ใช้ความพยายามได้ใช้ความพยายามน้อยแต่ว่าได้ผลมากอันนี้ก็ต้องอปัญญามาช่วยแต่ถ้าคนไม่มีปัญญามันก็ใช้ความพยายามมากแต่ก็ได้ผลน้อยเพราะขาดปัญญาเพราะในการทางานก็ต้องมีตัววิมังสาวิมังสาแปลว่าปัญญาหรือว่าใช้ปัญญาดังว่าถ้าเราจะค้น เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อข้าวสารทีละกระสอบไปลงเรือแบกทีละกระสอบไปลงเรือมันก็ได้แต่ว่าต้องใช้แรงงานมากแต่ว่าถ้าต่อพานสะพานต่อสะพานไปจากโกดังแล้วก็ไปลงเรือก็เพียงแต่เอากระสอบข้าวสารวางไว้บนสะพานแล้วก็ทําสะพานลาดลงไปในเรือเยียงแค่นี้ก็จะได้งานเยอะ แล้วก็มีคนอยู่ที่โคดังคนหนึ่งแล้วก็สองสามคนก็ได้แล้วก็มีคนอยู่ในเรือสองสามคน <c oughs> จะได้งานเร็วกว่าตอนนี้เรียกว่าใช้ปัญญาก็แล้วแต่เรื่องอะไรควรอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้น <c oughs> นี่ก็ให้สํารวจตัวว่าเราขาดข้อไหนเราก็าพยายามทําให้บริบูรณ์ ในข้อที่ยังขาดอยู่ว่าข้อไหนดีแล้วก็รักษาไวา้ข้อไหนขาดอยู่ต้องเพิ่มให้เต็มว่าต้องศึกษาศาสนาพุทธให้เข้าใจเสียตั้งแต่ต้นจึงจะเอาศาสนาพุทธในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมันใช้ได้ไมันใช้ได้มงคลสามสิบแปดนี่ เราต้องพยายามเช็คดูทุกวันควรจะจำให้ได้สวดให้ได้ด้วยยิ่งดีจำให้ได้เช็กดูมงคลสามสิบแปดเราปฏิบัติอยู่ในข้อไหนเราบอกฟ้องข้อไหนไปบ้างต้องเช็คได้เราสามารถยืนยันตัวเองได้ว่าเราปฏิบัติทำข้อนั้นบริบูรณ์แล้วก็สามารถจะทาดทายได้เราสามารถจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง แต่ก็ส่ ง, งานาเผยทีนี้ถ้าสังคมของเราโดยมากปฏิบัติตามหลักพุทธแล้วก็เว้นสิ่งที่ควรเว้นตามที่กล่าวมาแล้วคืออับายามุกโดยเฉพาะอย่างคอร์รัปชันคอร์รัปชันเว้นให้ได้ขาดถ้าไม่มีคอร์รัปชันในวงการต่างๆการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจอะไรอะไรมันจะไปได้รวดเร็วก็ไม่มีตัวท่วงไม่มีตัวทวงอย่างที่พูดแล้วเมื่อคืนก่อนว่าเรา เ, เว้นของแสลงให้ได้มากที่สุดแล้วก็กินยาตามสมควรบริหารร่างกายพอสมควรอย่างนี้มันก็ไปได้ร่างกายมันก็ไปได้ มันเป็นการคอร์รัปชันมันเป็นเนื้อร้ายของสังคมแล้วที่พูดกันอยู่เสมอว่ามันมีกันอยู่ทั่วไปหมดอย่างนี้เาก็แย่หน่อยเาก็พัฒนาเศรษฐกิจได้ยากพัฒนาสังคมได้ยากแม้ในวงการศึกษาก็มีคอร์รัปชันในวงการมหาวิทยาลัยก็มีคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้มันก็แย่เต็มที รายการรายการโลกมองไทยเมื่อผ่านมาสักครู่นี้เองเมื่อตอนก่อนสองทุ่มนี่รายการโลกมองไทย เ, เขามองไทยยางไรก็ชาวโลกเขามองไทยมาว่าอนาคตของไทยอยู่ที่การที่รัฐบาลจะปราบคอร์รัปชันได้หรือไม่ นือ่อาถ้าถ้ า, ารัฐบาลไทยปราบคอร์รัปชันไม่ได้อนาคตของไทยก็จะค่อยๆผู้กรนลงไปดับลงไปค่อยๆรีลงไปแต่ถ้าสามารถจะปราบคอร์รัปชันได้ให้กระเตือนขึ้นให้ดีขึ้นอสถานะฐานะของบุคคลสังคมต่างๆในสังคมไทยก็จะดีขึ้น เขาว่ายังนั้นนะครับนี่โลกเขามองไทยไวย่ายังไรทีนี้ก็ท่าวที่เขาสังเกตในก็รายการมองโลกนั่นแหล ะ, ะท่าวที่เขาสังเกตว่าเวลานี้คอร์รัปชันในเมืองไทยมีมากขึ้นไม่ได้ลดลงมีมากขึ้นทีนี้ดูการเลือกตั้งส so ว ข่าวที่แล้วข่าวที่ผ่านมานี่ว่าในระดับนั้นในระดับคนที่จะเข้ามาเป็นสวเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ยังมีการคอร์รัปชันกต้องเลือกแล้วเลือกอีกบางจังหวัดนี่ต้องเลือกถึง3ามครั้งเพราะว่ามันไม่ไม่สุจริต กาเลือกตั้งไม่สุจริตอย่างนี้ท่านลองนิดดูว่าในวงการต่างๆจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่กลัวสิ่งนี้ก็เหมือนกับเรายอมให้เนื้อร้ายมันลุกลามไปตลอดเวลาแล้วก็าการพัฒนาเศรษฐกิจมันมันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือ <c oughs> ว่าไม่เห็นพุทธธรรมหรือว่า หลักคําสอนของศาสนาเป็นสิ่งสําคัญกลัวดเชยกลัวเชยแต่ถ้าเอาหลักคําสอนของศาสนามาใช้แล้วมันก็เชยแต่ว่าไม่กลวชั่วไม่กลัวชัว่วแต่กลัวเชยอนี้บางคนเขาไม่กลัวเชยเขากลัวชั่วมากกว่าเชยช่างมันเชยไม่เป็นไรใครว่าเชยก็ไม่เป็นไรเขากลัวชั่วมากกว่ากลัวเชย บางคนก็กลัวเฉอยมากกว่ากลัวชั่ว <c oughs> มันก็แปลกในสังคมเรานี่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยก็นับถือศาสนาพุทธเคารพกราบไหว้พระพุทธรูปเวลาจะทำงานทำการเวลาจะทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานก็มีการบูชาพระรัตนตรยัย บูชาพระรัตนตรัยขอรอบกราบปลายจุดทูกจุดเตียนมีดอกไม้สวยๆมาบูชาพระแล้วก็อาหังสัมมาสัมพุทธ佛พระขวาววะพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าก่อนอภิวาสพระภูมิพระภาคเจ้าสวัสขาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมมังนามัสสามิข อ, อนมัสการพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สุปฏิปันโนพราวาโตสาวกสังโคสังขังนา ม, ามิขอนอบน้อมพระสงค์พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบขอนอบน้อมพระสงค์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบนั้นก็ทํากันได้ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าเวลาจะพูดธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นหัวหน้านั่นแหละ วเวลาจะให้อโอวาทเวลาจะพูดอะไรกับผู้น้อยอในที่ประชุมอะไรแต่ถ้าจะพูดว่านี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าอ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้เฉยเฉยจะต้องไม่อ้างต้องไม่อ้างพระพุทธเจ้าถ้าอ้างพระพุทธภาษิตอะไรมาแล้วก็เฉยถ้าอ้างฝ ร, รังไม่เป็นไรอ้างฝ ร, รังไม่เป็นไร ฝรั่งคนนั้นว่าย่างนั้นฝรั่งคนนี้ว่าอย่างนี้รู้สึกว่าโกดีทำนองนั้นก็มันขัดกันเราก็กราบไหวบูชาพระพุทธเจ้าแต่ว่าพอจะพูดถึงคําสอนของท่านกลับเห็นเป็นเฉยอทำนองนั้นมันอะไรกันไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ถ้าอย่างนั้นก็ ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเฉยๆสิแล้วงั้นไปนับถือก็ไปเคารพนับถือท่านยังไงอ่ ะ, อะมันมันก็ไม่ตรงกันอ่ะมันมันขัดแย้งตัวเองอ่ะมันเป็นการขัดแย้งตัวเองผมอายืนยันมาตลอดเวลาถ้าว่าถ้าคนไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธนี่ส่วนมากเป็นชาวพุทธนี่ใช้ชีวิตแบบพุทธ ดำเนินชีวิตแบบพุทธใช้เศรษฐกิจแบบพุทธไม่ลำบากหรอกครับไม่ลำบากสังคมไทยไม่ลำบากขอให้เราได้ศึกษาศาสนาพุทธให้เข้าใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธใช้ชีวิตแบบพุทธแล้วก็ไม่ลำบากครับสังคมเราไม่ลำบากแน่นอน อันนี้ขอก็ขอมานำมานามาเล่าสู่กันฟังนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังทีนี้ก็ <c oughs> มีอนกศึกษาได้ถามต่อไปว่าเราต้องใช้มงคลสามสิบแปดประการทั้งหมดหรือผมก็ผมก็ตอบว่าทำธรรมะทุกอย่างเราต้องใช้แต่ว่าไม่เพียงแต่มงคลสามสิบแปดแต่ว่า ธรรมะใช้หมดทุกอย่างทำหมดทุกอย่างใช้หมดทุกอย่างข่าวที่จำเป็นคือว่ า, าการใช้ธรรมะไม่ได้ใช้พร้อมกันแต่ว่าคราวใดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ธรรมะข้อไหนก็เอาขอนั้นมาใช้ก็เปรียบมันว่าเรามเาีเครื่องมือมากมายที่สำหรับทำงานของเรา เขาเกี่ยวด้วยช่างไม้ก็ได้ช่างไม้ช่างไม้ช่างเหล็กช่างอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่ปลูกบ้านสร้างเรือนเขาก็มีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยเขาไม่ได้ใช้พร้อมกันทุกอย่างเขาดูว่าอะไรจําเป็นอสําหรับใช้เครื่องมืออันไห น, นเขาก็ใช้เครื่องมืออันนั้นใช้เครื่องมืออันนั้นอันนี้จําเป็นที่จะ อย่างนี้จําเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาก็แค่หยิบเครื่องมืออันนั้นมาใช้แล้วก็วางไว้เนี่ยว่าทําอะไรต่อไปจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออันนี้ก็ต้องใช้อันนี้หรือว่าหมอที่ใช้ยาหมอเภสัชกรรู้จักยาเยอะแยะมีไม่รู้ตั้งกี่พันอย่างอเขาไม่ได้ใช้หมดทีเดียวไม่ได้สั่งคนไข้กินยาพร้อมกันหมดทุกอย่างไม่งั้นก็ตายแน่ นี่เขาดูว่าโรคอย่างนี้คนรจะกินยาอะไรก็ให้ยานั้นไปแล้วก็ควรจะควบกับยาอะไรนะก็ให้ยาควบไปอย่างคนที่กระเพาะไม่ค่อยดีก็ให้ยากระดูกมาให้ยาที่เกี่ยวกับการเจ็บปวดหลังปวดเอวหรือเกี่ยวกับกระดูกยากรามเนื้ออะไรพวกนี้มันมักจะกัดกระเพาะเาก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมาด้วยควบคู่กันไป อย่างนี้ครับมันรู้ด้วยว่าใช้เป็นใช้ใช้ใชยาเป็นเขาก็สั่งยาในถูกต้องคนไข้ที่ไม่รู้ด้วยตนเองเขาต้องเชื่อหมอว่าทำไปมันก็ปลอดภัยก็ปลอดภัยแต่ยาตัวไหนคนจะใช้กับยาตัวไหนว่ายาตัวไหนใช้กับยาตัวไหนไม่ได้มันเสริมฤทธิ์กันมากเกินไปอะไรทำนองนั้นนะครับ เหมือนกับธรรมะธรรมะก็เหมือนยาที่เรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถก็เหมือนยาเพราะว่าเราต้องใช้ธรรมะเป็นแต่ใช้ธรรมะไม่เป็นแล้ธรรมะมันเป็นพิษเอามัอนอย่กินยาไม่เป็นยามันเล่นงานเอาแย่แย่แต่ใช้ธรรมะเป็นใช้ธรรมะเป็นมันก็ก็ใช้ได้ประโยชน์ทุกอย่างพูดพูดอย่างสุภาพหน่อยที่เรียกว่าองค์ธรรมว่ คงทำทุกข้อจะพูดแบบแบบยาเรียกว่าทุกตัวยาทุกตัวธรรมะทุกข้อมันจะเสริมกันบ้างล่างกันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับคําว่าถ้าเรามีสันโดษสันโดษก็ต้องมีสัมมาวายามาเข้ามาแลมีวิริยารมภะเข้ามามาเป็นคู่กันอย่างนี้ครับ จะสอนให้สันโดษให้พอใจให้พอใจในสิ่งที่เป็นของตนเพื่อป้องกันคอร์รัปชันป้องกันคอร์รัปชันเสร็จ <c oughs> แล้วก็ให้มีสัมมาวยายมะคือความเพียรชอบเข้ามาเข้ามาสนับสนุนเสริมเข้าไปหรือรับช่วงให้สัมมาวยายมะรับช่วงไปเป็นต้น น, นะครับ ก็มีอีกเยอะ <c oughs> อย่างนี้ครับท่านี้ก็ก็ถามเป็นทํานองอนักศึกษาถามว่าปัญหาเศรษฐกิจเวลานี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็ผมผมก็บอกว่าผมไม่ใช่นักเศรษฐกิจไม่ใช่นักเศรษฐกิจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะทราบเรื่องปัญหาเศรษฐกิจอะไรมากอะไรมากนักก็ให้ผู้ถามพูดมาดูว่าลองชี้ลองชี้มาดูว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วเราจะเอาพุทธปัิญาไปแก้ปัญหาได้ให้ถูกต้องจะได้เอาพุทธปัิญาไปแก้ให้ถูกต้องคือให้เขายกขึ้นมา เช่นว่า <c oughs> เช่นว่าปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจก็คือปัญหาความยากจนถ้ามั่งมีแล้วก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทีนี้เราจะแก้ปัญหาความยากจนแต่ว่าคนมั่งมีไป ม, มีปัญหาอย่างอื่นนะครับมันไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจแต่มัมีปัญหาอย่างอื่น อาจจะมีปัญหาทางสังคมปัญหาทางครอบครัวปัญหากับเพื่อนฝูงปัญหาอะไรตัวอะไรเยอะแยะคราวนี้เราจะแก้ปัญหาความยากจน <c oughs> เอาพุทธธรรมไปแก้อย่างไรที่นี้เราก็ต้องคุยหาเสาะหาเจาะหาสห า, สห า, สหาสเหตุเช่ก่อนว่า เขายักจนสาเหตุของความยากจนมีอะไรปะ่ะแถ้าคนพวกหนึ่งอาจจะยากจนเพราะเกียดค้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้ห <c oughs> นักไม่เอาเบาไม่สู้อย่างที่ในหนังสืออะไรจดหมายถึงนายเขาบอกว่าคนไทยส่วนมากก็มักจะเป็นยังงหนักไม่เอาเบาไม่สู้ ปัญหาปัญหาเรื่องความยากจนเพราะคนพวกหนึ่งยากจนเราเกียดครานมันก็มันก็ต้องแก้ด้วยความเพียร